3.8 การปฏิบัติในรูปแบบทิ้งไม่ได้วงเล็บเปิดหกันยายน2550นหาจุดจุดนาที46กวงเล็บปิดการภาวนาอยู่คนเดียวจะลดผาษะทางตาหูจมูกลิ้นกายไปภาษามันโดดเด่นอยู่ทางใจเราก็เห็นได้ง่ายแต่ถ้าฝึกอยู่แค่นั้นไม่ยอมออกมากระทบโลกพอออกมากระทบเมื่อใดก็คว่ำเลยเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกอยู่ในโลกธรรมดา เมื่อใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ฝึกไปด้วยถึงเวลาเราก็ไหว้พระสวดมนต์ฝึกอยู่ทางใจฝึกซ้อมให้เห็นสภาวะทางใจได้แม่นยำทุกวันต้องซ้อมนะต้องทำในรูปแบบไว้ซ้อมไว้แล้วถึงมาอยู่ในชีวิตประจำวันได้ถ้าไม่ซ้อมจะดูยากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในรูปแบบทิ้งไม่ได้หรอก